ถ้าเป็นในสมัยพระองค์เนี่ยแรกแตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพระองค์แบ่งสัตว์แบ่งสัตว์ทั้งโลกหมดเลยนะบรรลุมรรคผลเท่านี้คนเป็นพาาระอุหันเท่านี้เป็นทศนาคามีเท่านี้แบ่งแบ่งแบแบ่งเป็นประเภทหมดพวกนี้โปรดขึ้นพวกนี้โปรดไม่ขึ้นแบ่งจักจําพวกเรียบร้อยหมดเสร็จแล้วพระองค์จึงรับอาราธนาพรนะพระองค์ไม่ได้รับทันทีเออเขาอาราธนาก็เอาเลยนะไม่ทันคิดอะไรสักอย่างไม่ใช่ยังไง พระองค์เนี่ยสอบสวนอย่างดีเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้ว พ, ออพระองค์ก็อพร้อมเพราะว่าไม่ได้ผู้ที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลคือปะทะประมะบุคคลบุคคลผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งถ้าได้ฟังธทำได้ศรัทธาก็เป็นวาสนาภาเคยียได้ส่วนแห่งวาสนาเอาไว้ถึงไม่ได้บรรลุพระองค์ก็เออเป็นวาสนาไปก่อนแล้วกันเหมือนกับชาตินี้เราถ้าเราบรรลุมรรคผลนะเรียกว่านิยบุคคลถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผล เรียกว่าปะทะประมะบุคคลแต่สิ่งที่เราฟังไม่ไร้ผลเขาว่างั้นถ้าหากว่าจุติปัปติสนที่ในสวรรค์อาจจะสังเวชใจสติเกิดช้าแต่บรรลุมรรคผลเร็วนะบางคนเนี่ยเฮเพลินเลยนึกไม่ออกเขบอกว่ามีเทวมีพระอริยเจ้าขึ้นไปแสดงธรรมพระอรหันต์ขึ้นไปแสดงธรรมที่สวรรค์เราก็มีโอกาสได้ฟังก็ผางเลยยังไงบรรลุเลย บางคนนี้เทวดาไม่ได้พระาอารหันต์หรือพระอริยเจ้าไม่ได้ขึ้นไปแสดงแต่พระอริยสาวกผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นพระอริยเจ้าผู้มีความรู้ความสามารถเช่นสุนังกุมารพรมหรือว่าพระอิน์เป็นต้นผู้มีความรู้ในด้านพระธรรมก็แสดงธรรมเทวดาเขามีจันท์จัดฟังธรรมเหมือนกันนะทีนี้เราก็จะได้ฟังและบรรลุถ้าไม่ได้บรรลุเพื่อนเก่า เพื่อนเก่าที่เคยประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเขาจะเตือนกันโอ้สมัยก่อนคุณไม่ได้ประมาทอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็มีสติก็พิจารณาพระธรรมันการศึกษาพระธรรมทรงจำให้คล่องปากขึ้นใจจึงมีผลมากมีอั น, นิสงมากถึงจะยังไม่ได้ตรัสรู้ขณะนี้ก็ไม่เป็นไร เพียงแต่ว่าขอสิ่งเดียวที่ต้องการที่สุดคือกุศลจิตเกิดขึ้นในขณะที่ฟังขณะที่ศึกษาขณะที่อ่านขณะที่เรียนรู้กุศลจิตนี้พระองค์บอกว่ายังไงก็ให้ผลเป็นความสุขนั่นแหละเชื่อว่าเป็นคนที่สะสมบุญไว้แล้วทํายังไงกุศลจิตเราจะเกิดอันคนที่ฉลาดคิดให้เป็นกุศลจิตได้คนนั้นเรียกว่ามีโยนิโสมนานัสิกาตนาะเรามานั่งตรงนี้ฉลาดคิดอะไรที่จะให้กุศลจิตเกิดไหมนอกจากการฟังแล้วกุศลจิตเกิด ช่เช่นเข้ามาแล้วพิจารณาถึงประโยชน์ของการใช้สถานที่อย่างเงี้ยนี่ก็หนึ่งในศาสตะสามประชัญญะใช่ไหมหรืออาจจะปารบโคจระสัมประชัญญะเจริญเมตตาโอ้ดีนะท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยศึกษาพระธรรมคำสอนเนะเป็นผู้ที่มีกายกรรมมีวจีกรรมที่ดีหน้าอนุโมทนาด้วยแหมยินดีด้วยนะลักษณะของเมตตาหรือมุทิตาก็จะเกิดขึ้นมันคิดเอาอ่ะ ทีนี่เราคิดให้มันเป็นอะไรถามว่าถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ไปคิดอะไรไอ้ความคิดที่เหลือให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นแหละก็น่าจะคิดได้นะก็ะผู้นี้เนี่ยพระองค์บอกว่าผู้นี้เนี่ยสามารถตั้งอยู่ในวิปัสสนาเพียงมีลักษณะเป็นอารมณ์คือสามารถพิจารณาไตรลักษณ์ได้หรือเรียกว่าสามารถที่จะมีตีรณะปริญญาความสามารถทั้งชาติเขาได้แค่ตีรณะปริญญาเท่านั้นเอง บางผู้นี้จักตั้งอยู่ในปัจจยะยาปริคหายานยานที่กำหนดรู้ปัจจัยเท่านั้นเองเรียกว่าในชั้นของยาตะปริญยาก็แบ่งออกเป็นสองระดับระดับที่รู้ปัจจัยกับระดับที่ไม่รู้ปัจจัยบางพวกนีมีความสามารถแค่รู้ปัจจัยผู้นี้จักตั้งอยู่ในนามรูปปริคหายานยานที่กำหนดนามและกำหนดรูปบางพวกก็โอ้โห น, นามนี้รูปอยู่แค่นั้นแหละผู้นี้ จัตั้งอยู่ในอรูปปริกหะเท่านั้นกําหนดได้แต่นามอย่างเดียวบางคนเนี่ยกำหนดแต่นามรู้จักแต่นามอย่างเดียวเอาจิตอย่างเดียวเหมือนั้นอย่างอื่นไม่รู้สักอย่างเนี่ยเอาแต่จิตอย่างเดียวมีนะคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยหรือปรับเรื่องวิปัสสนาเป็นต้นรู้แต่เรื่องจิตอย่างเดียวถามอย่า ง, งอื่นไม่รู้ตอบไม่ได้สักอย่างเนี่ยผู้นี้จะตั้งอยู่ในรูป ป, ปริกหะเท่านั้นกํหาหนดได้แค่รูปมหาภูตารูปเออดินน้ํามลมไฟกระดูกเอาไอ้กระดูกอย่างเดียวแต่อย่างนี้ก็ได้ความสามารถเท่าแค่นั้นเอง หรือผู้นี้จะกาหนดได้แต่มาหาภูตะเท่านั้นผู้นี้ไม่อาจกาหนดอะไรได้เลยอย่าไปคิดว่าเท่ากันนะโอ้โหทุกคนเนี่ยศึกษาธรรมะเนี่ยได้เท่ากันหมดไม่ได้บางคนเนี่ยพอขึ้นต้นด้วยกุศลอากุศลพอเป็นเรื่องเป็นราวปั๊บเนี่ยของมะเนี่ยเห็นรู้จักชัดเลยคือหลังจากที่รู้จักคนหลายๆคนเนี่ยอพอโยมเขาเข้ามาหาใช่ไหมเราก็ คุยกันไปตามเรื่องตาราวก่อนถามสารทุกขสุขเดบพอเราจะขึ้นเป็นธรรมะถนอยเนี่ยจับนาฬิกามาดูพับโอ้ผมนี่มีธุระนะครับหรือว่าถ้าหากว่าคนเหล่านั้นถ้าเจริญกสินบริกรรมเนี่ยพระ อ, องค์ก็ทราบว่ากษินบริกรรมของผู้นี้จักเป็นแค่บริกรรมเท่านั้นไม่สา ม, มารถที่จะทํานิมิตให้เกิดนะเขาเรียกว่าทํานิมิตของเกษินเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตเนี่ยโอ้ยเอาเขาเรียกว่า เอาธาตุดินเนี่ยเอาดินสีรุณมาแล้วก็มาทําเป็นแผ่นดินกว้างหนึ่งคืบสีนิ้วเป็นอย่างต่ำเนี่ยมานั่งคิดปฐวีกสีนังปฐวีกสีนังก็ว่าอยู่แค่นั้นนะชาติหนึง่งทั้งชาติเลยได้เท่านั้นนึกจําอะไรก็ไม่ได้ออกพอเดินพ้นภาพนิมิตจําไม่ได้เลยนิมิตไม่มีติดตาติดใจอะไรสักอย่างจะว่าขยายเลยบางคนนี้ก็ไม่อาจเพื่อจะให้นิมิตเกิดผู้นี้อาจจะทําให้นิมิตเกิดแค่นิมิตไปที่ไหนจําแต่ภาพนั้นแหละแต่ไม่สามารถ ขยายนิมิตได้บางคนก็ขยายได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถทําอั ป, ปนาคือไม่สามารถทําฌานให้เกิดได้ผู้นี้จักบรรลุอั ป, ปนาแล้วทําฌานให้เป็นบาตเริ่มตั้งมิปั ส, สนาแล้วจักถือเอารหัสผลแม้แต่ในเรื่องกสิณเนี่ยพระองค์ก็สามารถแบ่งตามลำดับต่างๆความรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าสัพพถคามินีปฏิปทาญานของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งสามารถรู้ว่าใครเนี่ยสังสมมาขนาดไหน คนนี่ไม่เท่ากันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยไม่งั้นเนี่ยไม้แก่นจะมีทุกต้นเลยไม้สักไม่ได้มีทุกต้นนะบางช่วงนี่ไม่มีไม้สักสักต้นเลยท่านใดคนที่จะบรรลุมรรคผลก็เหมือนกันอ่ะสมมติเราทำเป็นไม้ดีเหมือนไม้สักเนี่ยบางช่วงนี่ไม่ได้เลยบางคนเนี่ยดูโอ้โหมีกิ่งมีใบร่มเย็นดีน่าจะมีแก่นไม่มีแก่นหรอกมันเป็นพันธุไม้ใสอ่ะยังไงก็ยังไม่มีแก่นเพราะไม่ใช่ไม้แก่น บางคนเนี่ยมีศรัท ธ, ธามีศีลมีอะไรดีแต่อุปนิสัยในการที่จะตั้งมั่นในศธธ ร, รัทธมไม่มีอุปนิสัยสูงสูงไม่มีบางคนนี่ให้ทานได้นะเท่าไหร่เท่ากันเนี่ยบอกหอให้ได้ง่ายๆเลยแต่ว่าเอาศีลหน่อยไหมบอกไม่เอา่ะฉันเอาอย่างเดียวคือสัจจะแต่สัจจะอะไรของแกก็ไม่รู้นะแต่ก็ศีลแปลว่ารักษาไม่ได้ให้แต่ให้จังเลยรู้จักยอมคนนี้ก็รู้จัก อ, อีกคนหนึ่งบางคนเนี่ยเอาศีลเนี่ยได้เลยทานก็ได้ศีลก็ได้ฟังทำไม่ได้เักอย่างเลยอีกคนหนึ่งฟังทำได้จําไม่ได้ทั้งคำเลยก็ฟังไม่อยา่างนั้มานั่งหลับนั่งเมาไปเรื่อยๆไปอีกคนหนึ่งก็ฟังก็รู้เรื่องแต่ก็จําไม่ได้บางคนเนี่ยจาได้แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเักอย่างเลยบางคนก็ถึงกับมีการเปลี่ยนปแปลงในพฤติกรรมในชีวิตขึ้นมาบ้างบางคนก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับเพรมัน ไม่เหมือนกันยิ่งเราอยู่กับคนเยอะๆนะอย่างอยู่กับพระนมเน้น้อยอะไรต่างๆเราเนี่ยเนะี่ยเราก็จะเห็นว่า ค, ความสามารถจะไม่เท่ากันอย่าคิดว่าคนเนี่ยเท่ากันเมื่อก่อนตมาเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าคนในโลกมันเท่ากันหมดแหละแต่รู้พอเข้ามาจริงๆแล้วไม่เท่ากันที่ไม่เท่ากันเพราะธาตุแตกต่างกันคือคนเนี่ยบางคนเนี่ยมีอัธยาศัยที่ดีมากบางคนนี่มีอัธยาศัยที่ไม่ดีแต่ทีนี้ เราก็ถามเราเองเออเราเป็นธาตุชนิดไหนแล้วอันนี้ไม่ค่อยคิดจัดสรรคนอื่นนะักนะมองข้างในถ้าส่วนใหญ่แล้ววันนี้กุศลจิตอะไรสามารถเกิดได้บ้างเอาอันนั้นแหละอันอื่นเอาไว้ก่อนทีนี้ก็จะขอเลยมาที่ข้อความในมหาสีหนาสูตรนะกล่าวถึงเรื่องของทิฐิต่อไปอกล่าวถึงยานของพระผู้มีพระภาคเจ้า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 บาลูศีหานาตในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อความในอภิธรรมท่านอธิบายว่าญาณคือความรู้ที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันเนี่ยตามความเป็นจริงของพระตถาคตเป็นไนพระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบชัดว่าสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัย3ามก็มี มีอัธยาศัยประเนษก็มีคืออัธยาศัยเป็นไปกับกุศลก็มีอกุศลก็มีนะสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศาัยสามย่อมคบหาสมาคมเข้าใกล้กับเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามานะ้าขี้เหลาก็ไปหาขี้เหลาเหมือนกันนะนักเลงการพนันก็ไปหาพวกการพนันเหมือนกันคอยาก็ไปหายาเหมือนกันคอบุรีก็ไปหาบุรีเหมือนกั น, นะนเสมอกันด้วยธาตุนะคนระับ สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประนีก็ย่อมคบหาสมาคมกับเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีกชอบฟังธรรมก็จะมาคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละแมในอดีตการแม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามก็จะคบหาสมาคมเข้าใกล้กับเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประนีก็จะคบหาสมาคมใกล้กับเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีกอันอธิมุตหรืออัธยาศัยของสัตว์เนี่ยแตกต่างกัน มันเป็นไปตามธาตุเขาบอกว่าฝูงโคย่อมไปหาโคฝูงวัวย่อมไปหาวัวฝูงมา้าย่อมไปเข้าสู่ฝูงมา้าฝูงช้างย่อมเข้าไปหาช้างชั้นไดสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามอัธยาศัยเหมือนกันเป็นไปตามธาตุเดียวกันนั่นแหละนี่เป็นยานที่ยังรู้อธิมุตคืออัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย ทีนี้ข้อต่อไปนะดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์บุคคลทั้งหลายมีอินทรีย์หย่อนและยิ่งตามความเป็นจริงดูก่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดความที่สัตและบุคคลทั้งหลายมีอินทรีย์หย่อนและยิ่งตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจก บั ล, ลือศีหานาถในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปพะ อ, องค์นี้สามารถที่จะยังรู้ถึงความแก่กล้าของความแก่กล้าและไม่แก่กล้าของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายก็ความในข้ออภิธรรมะนะว่าข้อ844กล่าวว่าตถาคตนั้นย่อมทรงทราบอาศยะอนุสัยจริต และอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายย่อมทรงทราบว่าเหล่าสัตว์ที่มีทุลีคือกิเลสน้อยมีทุลีคือกิเลสมากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการชั่วแนะนําให้รู้ง่ายแนะนําให้รู้ยากควรแก่การตรัสรู้และไม่ควรแก่การตรัสรู้ก็อาศัยยะของสัตว์ทั้งหลายเป็นชนะไหน ความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกหมายถึงอัตตานั่นเองอัตตาก็หมายถึงต้องนึกถึงอะไรขันห้านะสำคัญในขันห้าว่าขันห้าเนี่ยเที่ยงอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือพวกประเภทมิจฉาทิฐินั่นเองอ่าพวกที่เป็นมิจฉาทิฐิก็จะเป็นไปตามความเห็นแบบมิจฉาทิฐิทั้งที่เป็นสกายาทิฐิและอุชเชธาทิฏฐิสัตตตทิฐิก็เป็นไปตามอํานาจของทิฐิ อันนะัพวกมิจฉาทิฐิก็มีความอาศัยะแบบมิจฉาทิฐิหรือสัตว์ทั้งหลายไม่เข้าไปอาศัยส่วนสุดทั้งสองคือไม่เข้าไปในกามาสุขัลิกานุโยคไม่เป็นไปกับอัตากิรมัานุโยคได้อนุโลมขันติยานอนุโลมขันติยานก็คือยานที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละ ในธรรมะทั้งหลาย อ, อันเป็นปัจจัยของกันและกันและอาศัยกันและการเกิดขึ้นก็มีก็คือผู้ที่มีปัญญาแก่กล้าสามารถที่จะพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปณะธรรมสามารถที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็มีหรือยานรู้ความรู้ตามความเป็นจริงของสัต อย่างเรียกว่าอาศัยะของศาสตร์ทั้งหลายพระองค์นี้สามารถรู้อัธยาศัยว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยมันดิ่งขนาดไหนระดับของมิจฉาทิฐิในทิฏฐิหเนี่ยจะอยู่ประเภทของทิฐิชนิดไหนถ้าเป็นสัมมาทิฐิคนนี้รู้ได้แค่เรื่องกลางคนนี้รู้ได้ในระดับวิปัสนาในชั้นสัมมสาาัญาาพิจรารณาระดับนี้บางคนไปถึงเกิดดับบางคนเนี่ยเลยไปหาปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้ อันสติปัญญาของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเออเมื่อพูดถึงทิฏฐินี่นะฮะถ้าหาว่าอย่างพวกผมเนี่ยถ้ามีความคิดว่าเอ๋<ม>เราตายจากตรงนี้ไปเนี่ยต้องไปเกิดในสวรรค์หรือเกิดในนรกเนี่ยแน่แน่เลยอย่างเนี้ยเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยเป็นสัจธรทิฏฐินหมครับเพราะโดยมากโดยมากจะมักจะคิดอย่างนั้นนะว่าเออเราตายตรงนี้เราก็ต้องไปเกิดตรงนั้น เราเพ่เกิดตรงนั้นแล้วตอนนี้ไอ้ความเห็นอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นสัจธรทิฏฐิหรือว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ความเห็นผิดหรือว่าเป็นความเห็นถูกเพราะว่าเรารู้ว่ากรรมนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อมีแล้วนี่นะะต้องมีปฏิสนธิต้องมีวิบากกิตใช่ไหมปฏิสนธิการที่เรามีความเห็นว่าเราตายแล้วเนี่ยไม่ได้สูญหรอกมีความโดยมากเชื่ออย่างนั้นนี่นะครับเป็นความเห็นผิดหรือเปล่า คือต้องดูในลักษณะของสภาพจิตในขณะนั้นด้วยว่าการพิจารณาในลักษณะนี้มีสองลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งก็คือพิจารณาด้วยอำนาจของทิฏฐิอีกในหนึ่งก็พิจารณาในลักษณะกรรมมัศกาตาถ้าหากว่าเป็นกรรมมัศกตาที่พิจารณาในเรื่องกรรมเป็นต้นก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่อย่างใดแต่ถ้าปารลในลักษณะว่าเป็นอัตตาหรือว่าเป็น เราจะไปสวยความสุขในภพนั้นเป็นต้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทิฐิหรือตันหานั่นแหละอันในส่วนนี้ก็สังเกตเอาสภาพจิตว่าในขณะที่ปารบเรื่องนี้แล้วจิตผ่องใสไหมนั่นแหละกุศลจิตเกิดไหมมันหนักไหมอะไรไหมก็ เ, เอาเรื่องกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมาวิเคราะห์เพราะการตรึกเรื่องนี้มีอยู่สองลักษณะคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉ า, าทิฏฐิอันถ้าหากว่าความเข้าใจเราดีพอก็ไม่เป็นมิจฉาทิฐิอะไร เป็นสัมมาทิฏฐิปารบถึงคติที่ไปก็ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะละเอียดแล้วก็เข้าใจยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสุดตรงของของของทิฏฐินะครับข้างหนึ่งก็คือว่าเห็นว่าเที่ยงเนี่ยยังไงเราตายไปแล้วถ้าต้องเกิดแน่ๆเลยเกิดตรงนั้นเกิดตรงนี้เนี่ยนะฮะดูๆแล้วนี่นะครับคล้ายๆมันเป็นสัตตทิฏฐิเหมือนกันดูแล้วคล้ายๆเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือที่เป็นสัตตทิฏฐิเนี่ยเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยเที่ยงตั้งมั่นเหมือนกับ สารเนียบไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้วิญญาณของเราเนี่ยพอกายมันแตกพับไปมันมันลอยออกจากร่างเลยวัดไปอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอะ่ะ <Okay. S 1> คือเข้าใจในลักษณะ น, นี้นะ <Okay. S 1> ไม่มีความเข้าใจว่าเออจิตเนี่ยมันมีจุติก่อนนะ <Okay. S 1> มีจุติแล้วมีปฏิสนธิขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แต่เข้าใจว่า <Okay. S 1> มันเหมือนกับ <Okay. S 1> เคยเห็นวิชาถอดร่างไหมค okay. ล้ายๆลักษณะนั้นนะมีคนเดิน <Okay. S 1> สมมุติว่าล้มตัวลงแผลมีคนลุกขึ้นออกอีกคนหนึ่งออกจากร่างเลยนะ okay. คล้ายๆกับเคยดูหนังไหมหนังหนังหนังไทยอะ่ะบางทีเห็นเลยออกเดินออกจากร่างให้เห็นทื่อๆอย่างนั้นเลยแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะ น, นั้นจริงๆเข้าปฏิสนธิใหม่แล้วนะแต่เป็นปฏิสนธิอีกภพหนึ่งคนละอย่างกันงคือเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องโลกทิพย์เนี่ยใครอ่านผมเนี่ยชอบอ่านมากแต่ก่อนนี้เชฉยๆคือว่ามีร่างไปไปอะไปเกิดใช่ถึงความจริงนั้นอะมันแวบเดียวแค่นั้นเองจากสมมติ อ, อาจจะเกิดตรงนั้นก็ได้ เป็นโอปะปะติกะอยูใ่ใกล้ๆร่างก็ได้แต่มันขณะจิตเดียนะกับพียบตายัางชาไปแต่ที่จริงถ้าจะเป็นไม่ไม่มิจฉาทิฏฐิจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าไอ้ปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณจะไปเกิดเป็นเทวดาห ร, หรือหรือหรือว่าจะเป็นสัตว์นรกก็ตามเนี่ยหรือจะเป็นคนเป็นจัดเดริญฌานก็ตามเนี่ยมันไปตามเหตุตามปัจจัยโดยมากเราไม่ค่อยคิดอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเจนพานมันเป็นอย่างนี้จึงจะไม่เป็นสัตสตทิฏฐิ แต่ถ้าเผือๆเราคิดยังไงยังไงก็ปึ้งแล้วไปเกิดตรงนั้นแน่เงี้ยคือต้องต้องดูพื้นฐานของของความเข้าใจในพระธรรมอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมมากก็มีสัมมาทิฏฐิมากถ้าเข้าใจในพระธรรมน้อยก็มีสัมมาทิฏฐิน้อยไม่เข้าใจเลยก็สมบูรณ์แบบเลยบอดสนิทก็ถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งนะที่เฉพาะจะ้วัดเป็นสัสติทิฏฐิมันเป็นอกุศลหรือกุศลได้เนี่ย วัดดูว่าพอใจไหมถูกไหมครับเพราะมันเป็นภาวะตัณหาครับมันถ้ามันเกิดมีความพอใจอย่างนั้นน่ะพอใจที่ว่าเราตายจากนี้ไปแล้วต้องไปเกิดอีกอ่ะี่เกิดอะไรก็ยังดีขอให้เกิดเถอะเพราะเรากลัวไม่เกิดอะ่ะถ้าลักษณะพอใจก็เป็นได้ทั้งทิฏฐิสัมปยุตและวิปยุตอันนั้นสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยพอใจในการเกิดบางอย่างก็เป็นด้วยลักษณะโลภาวิปยุตก็มีอันนั้น ถ้าพอใจในลักษณะเป็นโลภวิปยุทธ์เนี่ยเป็นมิจฉาไม่มีทิฏฐิใช่ไหมครับไม่มีมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าอย่างไงต้องไปเกิดเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันมีกรรมอ่ะกรรมต้องทําให้เกิดอีกถ้าอย่างนี้ก็เป็นกรรมสกตาปัญญาเชิญพาแต่ผู้ที่ศึกษาพระธรรมค่อนข้างละเอียดเนี่ยลักษณะที่ไปคิดด้วยอํานาจทิฐิเนี่ยค่อนข้างเยัดน้อ ย, ย, อยแต่ถ้าหากว่าผู้ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเลยเนี่ยจะด้วยอํานาจของทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปจนได้ เพราะว่าถ้าศึกษาไม่ละเอียดนะมันเป็นนึกว่าวิญญาณนี่มันเที่ยง <Okay. S 1> ยิ่งเราไปฟังข้อมูลมาจากบางแห่งด้วยแล้วเนี่ยวิญญาณไม่เที่ยงแต่ใจมันเที่ยงอย่างเงี้ยบางทีก็ไปว่าไปยังนั้นก็มีอีกไอ้ใจตัวนั้นแหละมันออกจากร่างไปเลยนะเพราะนั้นความไม่เข้าใจนั่นแหละทําให้เป็นตูวเป็นตาไป็มอแหละพุทธศาสนิกชนทั่วไปผู้ที่ไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรมากนะักโดนมากโน้มไปทางสัสติตินะครับเจนพะเพราะว่าพื้นฐานของเหมือนพระสาติเนี่ย เข้าใจว่าออพระองค์เล่าประชุมชาดกเสร็จใช่ไหมบุรุษคนนั้นก็คือเรานั่นเองคนนั้นก็คือเราอ่ะพระโพธิสัตว์หรือว่าพญาช้างนั้นก็มาเกิดเป็นเราตถาคตอย่างเงี้ยพญามานั้นก็เป็นเราตถาคตพระราชาในครั้งนั้นก็เป็นเราตถาคตออวิญญาณต้องเที่ยงสิใช่ไหมอันวิญญาณต้องเที่ยงก็เลยคิดว่าเป็นความเที่ยงถามว่าในทุกสูตรที่กล่าวว่าในสมัยนั้นะเราตถาคตก็เป็นในลักษณะที่ว่า ความสืบเนื่องของขันห้ามาก็เหมือนก็ถามว่าพระสมบัติกับเด็กชายสมบัติคนเดียวกันไหมถามว่าถ้าคนเดียวกันทำไมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเก่าเลยหน้าตาเป็นต้นก็ไม่เห็นเหมือนเดิมเลยถามว่าถ้าคนแตกต่างกันอะสัมโนครัวก็ผิดี่ถ้าไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ในลักษณะความสืบเนื่องกันมาใช่ไหม อย่างชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยจากทางตา ม, มาทางหูจากทางหูไปทางจมูกวิธีจิตความเป็นไปต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความสืบเนื่องนั่นแหละความสืบต่อของขันห้าในจะว่าคนเดียวก็ใช่จะว่าคนละคนก็ใช่นะพราะว่าคนเดียวกันเนี่ยใช่ก็คือความสืบเนื่องมาแต่ว่าคนละคนก็คือไม่เหมือนเดิมและเป็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยต่อไปนะว่า อนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเนไหนอนุสใสทั้งหมดมีเจดอย่างคาว่าอนุสัยแปลว่ายัางละไม่ได้หรือถ้าเป็นอนุใสกิเลสเป็นชื่อของกิเลส ท, ที่มีกําลังคําว่าอนุสัยเนี่ยแปลว่ามีกําลังมากเพราะอัดว่ายัางละไม่ได้มีอยู่เจ็ดอย่างคือการมราคาอนุใสหนึ่งปฏิคาอนุใสหนึ่งมานาอนุใสหนึ่งเทฐานอนุใสหนึ่งวิจิกิจฉานุใสหนึ่ง ภาวะราคานุใสหนึ่งอวิชานุใสหนึ่งราคานุัสของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเนื่องในปิยรูปสาตรูปในโลกอะไรเป็นที่รักที่ชอบใจตันหาก็จะเกิดก็อาศัยสิ่งเหล่านั้นแหละโดยความเป็นอารมณะปัจจัยใช่หมแต่ตันหาจะเกิดก็ต้องเกิดอาศัยอารมณะที่เป็นที่รักเป็นที่พอใจรูปหรื อ, อคาว่ารูป เป็นที่รักที่ชอบใจเนี่ยไม่ได้หมายถึงสีนะแต่หมายถึงทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นสีจักโขจักโขวิญญาณภาษเวทนาตัณหาหรือเจตนาสัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นปียรูปสาธรูปเพราะหมายถึงเป็นสิ่งที่รักที่พอใจเป็นที่น่าปรารถนาหันสิ่งใดที่เป็นที่น่าปรารถนาราคะถ้าจะนอนเนื่องเพราะอัจว่ายัางละไม่ได้ก็อยู่ในสิ่งนั้นนั่นแหละ เจอปั๊บชอบปุ๊บเลยทันทีเลยอ่ลักษณะนี้ถามว่ากิเลสไปแทรกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยยังละไม่ได้ในสิ่งเนี้ยเห็นแล้วชอบเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีสิ่งนั้นเป็นอนเป็นอารมณ์ให้เกิดอนุสัยกิเลสเกิดขึ้ น, นทั้งนามด้วยทั้งรูปด้วยแต่ชื่อว่าปิยรูปแต่ชื่อว่าปิยรูปสาตรูปคำว่ารูปไม่ได้หมายแปลว่าสีทั้งหมดมีมีหลายอัก เหมือนกับภูตะมีหลายอัดเหมือนกันทีนี้ต่อไปนะปฏิคานุสัยของสาวทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในอัปยรูปอัปยะปิยะแปลว่าที่รักนะอัปิเนี่ยแปลว่าไม่รักละนอนเนื่องอยู่ในรูปอันไม่เป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกอัปยรูปอาสาตรูปใช่ไหมยอย่างจักขุไม่เป็นที่รัอะไรก็ตามที่มันไม่ดีอะโทสะจะไม่ชอบสิ่งนั้นเพราะโทสะ ก, ก็คือเรียกว่าปฏิคานุสัยนั่นแหละ